วันนี้เราทำกุศลเพื่อชาติของเราเองชาติไทยของเรามีจํานวนประชาชน61 62ล้านคนวันนี้เราสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อชาติของเราจึงเรียกว่ามหากุศลเรียกว่ามหาชานไม่ใช่ทานธรรมดาเส้นมหาทานมหากุศลคราว น, นี้เรามีโอกาส วันนี้เป็นโอกาสเต็มที่ของพี่น้องชาวจุฬาฯเราแล้วจากนั้นหลวงตาเขาจะไปเป็นระยะเลยนะ น, นำพี่น้องทั้งหลายออกเพื่อชาติบ้านเมืองไม่งั้นจะไปไม่รอดนะแล้วขอเรียนโดยทรงว่าขอการเรื่องผู้ น, นํานี่สําคัญมากนะถ้าเขาไม่ลงใจเขาไม่เชื่อถือที่อย่างเดียวสตางนึงก็ไม่หลุดมือออกมานะ นี่ทำไมพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเรามีเโชไลายทุ่มลงทุ่มลงก็งเพราความลงใจเชื่อถือนั่นเองเหตุที่จะเป็นความลงใจเชื่อถือก็เพราะว่าทุ่มนาพี่น้องทั้งหลายคือหลวงตาบั ว, บวนี่ได้เชือ่อถือตัวเองมาแล้วเรียบร้อยถ้าว่าปเปอร์เซนเราอยากจะพูดว่าล้านปเปอรเซนต์เราบริสุทธ์ขุดฟองด้วยความวริสุทธ์ที่มีธรรมพิสุทแล้วมีความเมตตาครอบไว้ เราทํานี้เราทําด้วยความเมตตาเราไม่ได้หวังประโยชน์สิ่งหนึ่งสิ่งใดชอบมีสิ่งที่ายจากการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายเพื่อเราเลยเราเพื่อชาติชาติเมืองของเราทั้งนั้นเรารับชาติภาคที่สุดเพราะฉะนั้นจในสลาดชีวิตจิตใจของในเพศของพระนี่ออกมารับใช้พี่น้องทั้งหลายเอรับท้ายก็ไปดีว่าเป็นผู้นําก็ถูก รับนะใช้ก็คือรับใช้ชาติของเราเนีลยเป็นผู้นําเป็นผู้นําเพื่อชาติของเราคําว่าเป็นผู้นําผู้นำนี่ไม่ใช่ลงเล็กน้อยเราจะที่เวาเต็มหัวอกเราแล้วก่อนที่จะมาเป็นผู้นําของพี่น้องทั้งหลายมีในใจเรีดูดูเอาอหัวโกรธามาเป็นผู้นําเราพิจารณาทุกหมดทุกแห่ทุกโมงหาคำตาอบเพื่อชาติไทยของเรา หาที่ไหนมันก็กิดการอัานตู้ไม่เป็นที่ลงใจได้ไม่เป็นที่ลงใจได้คิดค้าก็หมุนเข้ามาหมุนก็มาใกล้สมาส่ายสมาสหายทางออกมาได้เลยเอาตัวหลบประกันมาทดสอบตัวเองหาที่ไหนไม่เจอแล้วที่นี่ยังมีอยู่ตุดไหนตุดไหนก็ยังมานยัเหลือแต่ตัวคนเดียวผู้ที่พิจารณาตั้งทั่วประเทศไทยแล้ว มาที่ไหนจะพอนําพี่น้องชาว ไ, วยาวยไทยของเราได้ก๊ะไหนเราไดหน่วยไหนจุดใดผู้ใดพิจารณาไปหมดเต็มหัวใจด้วยถักด้วยทำไม่พิจารณาแบบโรลกนะพิจารณาโดยทำร้วนๆท่าไหนมันก็ปิดตันอั้นตู้ไปหมดไม่มีช่องทางชาติไทยของเราก็องรับการี่จะลณ์ตนรูปโยน์แบบรูปโยนแบบที่ทําให้ส่งอิจารมาก ข, ข, ขึ้นมากขึ้น เดินโดนเพื่อหาจางออกให้พี่น้องชาไทยของเราได้พ้นภัยอย่างน้อยออ ก, ก็พำอัคคัดขัดสนมากกว่านั้นชาไทยของเราจงได้นี่แหะทีวิตรมิจารมากตัวจะล่มจรถึงหมูก็ามาหาตัวเอง <c oughs> เอาไม่ใช่ปฏิจาค่ะปฏิจจกันเรือยเป็นเพียงว่าอากใช้เสียงพอแล้วกันไปดมดมเข้ามาไม่เป็นไรเราก็พูดธรรมดาของเราวันนี้จะเรียกว่าเทศหรือไม่เทพก็ แ, แล้วแต่เราพูดธรรมดาให้พี่น้องหลายชาวไทยฟัง <c oughs> พี่น้องชาวจีนเราพิษสําพัญมากนะวันนี้แ่ทั้งช้างทั้งม้าเราก็ว่าคยเห็นที่ไหนไม่เหมือนพี่น้องชาวจินเราแ่ทั้งช้างแ่ทั้งช้างช้างร้อ ย, อยที่หน้าโบ มีสองตัวนรมากเราเห็นแล้วก็บึ่งหาช้างก่อนดูใครแล้วก็ดูช้างของเลยไปก็ยื่นกล้วยให้เลยเขาช้างสองตัวแลกๆเป็นกนความมั่งพระมั่งแล้วก็ยื่นให้ยื่นไทยยื่นไปยื่นมาถึง้ายไม่เอาแสดงว่าอีกแล้วยวแล้วความมั่งนะยื่นอะไรให้ความมักยื่นหนึ่ตัวนี้ความมักยื่นหนึตัวนี้ความมั่งด้วยด้วยนะพอยื่นไปหลายยื่นก็หลายยื่นถึงไทย ยื้อหายเฉยเลยาจจะแปลว่าอิ่มแล้วเราก็เลยไปเราด้วยความสงสารรักษาพระสัตตัวหนึ่งตัวหนึ่งคนคนหนึ่งคนหที่มีจิตดวงหนึ่งนะพี่น้องทั้งหลายให้จำไว้นะทำมาแค่ศาสนาที่กล่าวลงนี้จะไม่ก็มีผู้ใดเทศอย่างนี้นะนี้เราเทศจากเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ค้นพบตัวให้เปิดพบเกิดชาติมาโดยลําดับพร้อม พมชาตินั่นแล้วจะออกจากหัวใจเสร็จแล้วเราจะเน้นําเรื่องนี้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบนะไม่ใช่มาประกาศกังรู้ลูกคำทำคำดำคำขาวนะปะถอดออกมาด้วยความเปิดเผยทางราชกิจสภาวนาล้วนๆดังพระพุทธเจ้าถอดออกมาเพื่อสาระขันทั้งหลายถอดสลักอันใหญ่โตพาให้เกิดภพเกิดชาติในที่สากออกมาออกมานินํานั้นแหละออกมาให้พี่น้องทั้งหลายเดินสาบยิง เยียนเดยตรงเลยและด้วยความอา่านด้วยความจริงที่รู้ที่เห็นมาที่ถอดมาแล้วให้พี่น้องหลายผังว่าได้ถอดมาแล้วได้เห็นภัยของมันเนี่ยกินดวงนี้นะโลกทั้งหลายทั้งตั้งติดอย่างนักเกิดนักตายนักเกิดนัก ต, ตายด้วยกันมากี่กับกี่กันแต่ละลายละลายถ้าเราจะยก เอามาเป็นลูกเป็นหด้นนะคนนี้ตายเอาเราตายแล้วเอามากองไว้เราตายเสร็จแล้วเพราะชาติเอามากองไว้กองไว้ประเทศไทยเราไม่มีที่กองศพของเราคนค น, คนเดียวนี่เลยพระเกิดแล้วตายเราเกิดแล้วตายเร า, าด้วยอํานาจยันเชื่อของความเกิดมันฝังอยู่ภายในจิตลึกๆไม่มีใครมองเห็นได้เลยพาราะพระพุทธเจ้าองค์แรกเป็นผู้มองถึงถอนออกมา แล้วพอเชื่อกมันขาดสะบ้าออกมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสลูกขึ้นมาเรียกว่าพ้นแล้วจากความเกิดจากเกตายแบบความทุกข์ความลําบากไปด้วยการเกิดจากเจิดตายนี้ได้ถอนสุดทิ้งลงไปแล้วได้แปล่งอุทาตนี้ออกมาให้เป็นจวัคีทั้งหน้าฟังเบญจวัคีทั้งหน้านั้นเป็นปฐมมสาโลกเป็นปสาโลกคณะแรกของพระพุทธเจ้าว่าอายามันติมาชาติ โยบญาณนัตตะอะไรลืมแล้วนานๆมาพูดกินแล้วมันก็ลืมญาณนันจพระแม่รู้สัจธรรมอุดมปารีญาณความรู้แย้งความรู้ความเห็นอันเลือเล่อเลอได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราจะถาคนี่ท่านเทศจะเป็นจกักรวิชิตสังฆาอกุบาลเมวิมุติความหลุดพ้นของเราจาก การเกิดจากเกิดตายนี้เป็นอันบ้าไม่มีการทำเรื่องอีกแล้วนะอาณาจัติมาช า, ชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราสถาพนนักตีดานิปุณาโพบัดนี้ความเกิดอีกตายอยีกทุกอีกไม่มีแต่เราแล้ ว, ลวเหนียกว่ายุติพราพถอนเชื้อประมันตาชาแห่งภาพเกิดตายของจิตคือเชืออ้อนี้ท่านในนา บาลีท่านว่าอวิชาปัิยาสร้างทาราสร้างทาราปัิยานี่แหละตัวสําคัญไม่มีใครเรียนคือไม่มีใครรู้เรียนเฉยเฉยเลยกับเรียนไปเรียนมาเรียนเท่าไรก็ยิ่งสงสัยไปเรื่อยเื่อยหาความจริงจังไม่ได้จากการศึกษาเราเรียนท่านก็เรียนเราก็เรียนเรียนจําได้แต่ชื่อแต่นามเรียนแค่เรียนแต่ลอยโกไม่ได้ตามดูตัวโก ทานเราก็องกานให้ตามดูจงโผล่แล้วเรียนรู้รอยของโคแล้วให้ตามรอยโคเข้าไปเอาโคปล่อยไว้ไว้ที่ไหนตามรอยมันก็แบบก็ไปถึงตัวโคนั่นตัวโคนี่รอยโคนี่นี่วิชารู้รอยโคเดินไปโดนหลับนี่ก็เหมือนกันจะเรียนมากเรียนน้อยไม่ประมาททั้นท่านให้เราเป็นเหมือนกัน หาความแน่นอนมาได้หาหลักหาเกิฑไมาได้กับการเรียนมากเรียนน้อยถ้าไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันเกาเรียนร้อยเรเรียนร้อยโคเลยเรียนเท่าไหร่ก็รู้แต่ร้อยโคร้รอยโคตัวร้อยโครจริงๆเราไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามเลยมันเข้าไปหาตัวโคมันก็ไม่เจอโครเรียนเฉยเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสยยัยบุล เรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์ <c oughs> เรียนจนกระทั่งถนิพพานสงสศินิพพานเต็มหัวใจไม่ว่าท่านว่าเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยไปมือนกันกับคนที่ไม่ได้เรียนนั่นเลยเพราะความจําเพฉยๆไม่ใช่ความจริงเป็นเหมือนกับว่าเป็นคําบอกเ่าสําหรับตำลาท่านเป็นคําบอกเรา เราเรียนตามตำหนักตำลาแล้วก็เกียงจำได้แต่คําบอกเล่าแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตัวตามหลักศาสนธรรมที่แสดงไว้เป็นคําบอกเล่าเรียกว่าแบบแปนแผนผังเราน่าจะแบบแปลนแผนผังเราไม่ได้สร้างเป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมามันก็ไม่สาเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาทีนี้พอข้าเข้าสู่ภาคปฏิบัตินี่เรียกว่าเริ่มเริ่มปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปน แ, แล้วปลูก ห <c oughs> ลังเล็กล้งใหญ่พันนันไหนจะเอา ก, กี่ห้องกี่หับกี่ชั้นแดนบอกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วทําตามแดนข้อเส็จรูปรา่างขึ้นมาเป็นบา้านเป็นเรือเป็นตึกรามบา้านช่องกี่ช่อกี่หับกี่ชั้นมันก็เป็นขึ้นมาเรื่องจังกระทั่งบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องสมบูรณ์เต็มที่น่นี่แหละเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือการสร้างบา้านสร้างเรือนนั้นคือภาคปฏิบัติ การทาทเร็จรูปขึ้นล่างขึ้นมาเป็นลระดับตำนานั้นเรียกว่าปฏิเวชในทางท่านสอนไว้ว่าปริยัตคือการศึกษาเ ร, ร่อเรียนปฏิบัติคือการดาเนินงานเมื่อได้ศึกษามาแล้วออกปฏิบัติตามแบบแปลนแผนถังที่พระองค์ทรงที่แจไว้แล้วนั้นทีนี้ผลก็จะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเหมือนเรา ส, สร้างตึกสร้างร่างสร้าง สร้างร่างนั่นเลยท่านสอนว่าสีนี่เป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงมีมุหมดหลุดชนเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงนี่ได้แจกรูปร่างหรือแบบแต่แผ่งถังของมรรผลนิพพานที่เราเรียนมาล่นี้ไม่ใช่นิพพานนิพกสีน์ก็ไม่ไม่อยู่ในตาราสมาธิไม่อยู่ในตำรา สมาธิทุกเพศไม่มีในตารานตารามีแต่ชื่อของสึกของศีลของสมาธิจนกระทั่งถึงปัญญาทุกขั้นขึ้นไปไม่ได้อยู่ในตารานมีแต่ชื่อปัญญาปัญญาเท่านั้นมีมุดหลุดพ้นไม่ได้อยู่ในปัญญานิพพานไม่อยู่ในปัญญามีอยู่เพียงปัญญาตำลานนั้นมีแต่ชื่อของธรรมเหล่านี้เมื่อปฏิบัติเข้าไปเหมือนกับเราถูกบ้านสร้างเรือนเดียบเราค่อยเป็นรูปเป็นรางขึ้นมาเล็ก ตั้งสวรรค์ราษฐานที่แรกนั้นเริ่มเป็นภาคปฏิบัติแล้วธวกกิจก็เริ่มมีความสงบตัวขึ้นมาแล้วนั่นเรียกว่าราษฐานเรียกว่าเป็นผลขึ้นมาแล้วยจ่งตภาวนาในนั้นเรียกว่าภาคปฏิบัติเราปฏิบัติตามสิกขาบทวินัยก็เป็นภาคปฏิบัติภาคหนึ่งที่จะเอาจริงเอาจริงเพภาคกิตตภาวนา ให้ความพินเนปิจนาภารณาบังคับจิตใจของตนตามธรรมดาของจิตใจนั้นสุ้สร้างลำพานวุ่นวายตลอดเวลาเพราะมีสิ่งผักดันมันออกไปให้ดิ้นให้ดิ้นไม่ว่าขงิงว่าชานักบวชชราวกคนมีคนจนคนรู้คนคนฉลาดคนโลภดิ้นดิ้นเหมือนกันหมดเพราะกิเลสตัวนี้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหนือทุกวิชามันจึงพากัามันจึงผักดันได้ทั้งนั้น ทีนี้เวลาพยายามทำยิตธภาวนาเข้าไปจิตใจที่เคยว้าวุ่นขุ่นมัวนั้นก็จะค่อยสองบตัวเข้ามาด้วยคำบริกรรมจะก่อนในเบื้องต้นเช่นสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธหรือสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆหรือกำหนดอัานตรปัญสติให้มีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆทุกกฎทุกบาทไปไม่ให้เผลอสติ เมื่อสติได้จดจ่อเข้าในจิตกล า, างงานใดงานนั้นย่อมเป็นปรากฏเป็นผลขึ้นมาขึ้นมาจิตที่เคยฟุง้งซ่านล้ำคานบางคับมันเท่าที่คัมภาวนาให้อยู่ในจุดเดียวนี้อยู่กับพุโทโธนี้อยู่กับคําโมหรือสังโฆนี้อยู่กับลมหายใจนี้บีบบงครับเข้าไปบีบเข้าเข้าเข้าเข้าไิงผักกันคือกิเลส มันก็ออกมาไม่ได้เพราะอํานาจแห่งกรรมบุรกรรมคือทำรรนี้ครอบหัวมันไว้จิตของเราก็เลยสงบตัวลงไปได้เพราะจิตวิเลตตัวนั้นถักกันออกไม่ได้จิตทั้งเราก็สงบตัวลงไปเมื่อเริ่มสงบตัวลงไปก็ปรากฏขึ้นภาณในจิตของเราอ๋อนี่คือความสงบความสงบจี่ท่านบอกว่าสมถะสมถะในตำรานั้นเป็นแต่ชื่อความสงบที่แท้จริงมาปรากฏที่จิตใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ จากนั้นจิตก็มีความสงบเย็นสง่าผ่าเผยขึ้นภายในใจนี่เริ่มเป็นผล ข, ขึ้นมาแล้วจากการปฏิบัติคือจิตตภาวนาของเราเริ่มปรากฏผลขึ้นมาเรื่อยๆสงบเข้าไปละเอียด เ, เข้าไปความละเอียดเข้าไปความสว่างากระจ่างแจ้งค่อยแสดงตัวออกมาภาพมัดจันเริ่มขึ้นมาแล้วภายใ น, ในใจิตใจเราก็เริ่มเห็นคุณค่าผลของการภาวนาเราไม่โดยนั้นผลเราเมื่อได้ปรากฏ สมบัติอันล้นคาประมาในใจแล้วทําไมก็ไม่ปล่อยวางสิ่งนซึ่งเป็นเรื่องรบกวนใจมาทางนานจิตก็หมุนเข้ามาสู่สมาธิจิตเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงสงบเย็นเน็คฮิเลสไม่กวนแล้วทีนีนี่เราเราสร้างมรรคผลวิภารสร้างขึ้นที่ใจสร้างสมาธิสร้างขึ้นที่ใจปรากฏสมาธิขึ้นที่ใจเราเป็นเจ้าของสมาธิของเราเอง สมาธิขั้นไหนเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นผู้เป็นขึ้นภายในใจของเราจา ก, กจิตตภาวนาจนปรากฏเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจิตสว่างกระจ่างแจ้งภายในใจในวงสมาธิมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนัง้นอยู่คนเดียวก็ได้อยู่ที่ไหนจิตใจไม่ยุ่งวุ่นยุ่งเหยิงุ่นว้อะไรต่างๆมีความรู้ความสงบเป็นธรรม เป็นเครื่องอยู่ภายในาจิตใจอยู่ได้สบายนี่ผลแห่งการภาวนาได้ปรากฏขึ้นแล้วนี่ผุดเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทคือความรู้แก่ในจิตใจของตนที่เป็นสมาธินี่เป็นท่านหนึ่งของปฏิเวทเป็นท่านหนึ่งของภาคปฏิบัติจากนั้นจิตของเรามีความสง่างามขึ้นมาสง บ, บเย็นใจแล้วไม่ยิ้โหยในอารมณ์ต่างๆ เราแยกจิจที่สงบนั้นให้ออกสู่การพิจารณาทางด้านปัญญาคราวนี้เป็นคราวที่จะถอดถอนภพนชาติหรือชาติถอดถอนที่เหลืออันเป็นเชื้อภพทั้งหลายออกใจไปส อ, อจากใจใไปโดยลําดับํา น, นาปัญญาพินิพิจารณาท่านสอนไว้สําหรับนักบวชเราอันเป็นอาวุธสําคัญก็คือว่าเกสารูมานาขาทันตาตะโจกเป็ต้น ผมขนและไฟนะและฟันหนงังนี่แหละเป็นสิ่งที่หุ้มหอมนุษย์เราทั้งคนให้กลายเป็นภูเขาภูเราภูภูรัภกภูธรภูเกียรตภูโกรกขึ้นมาตรงนี้ปิดหูปิดตาภูเขาทั้งหมดไม่ปิดแต่ผมขนและฟันเฉพาะอ ย, อย่างยิ่งหนังปิดได้ดีหุ้มห่อได้สนิทหนัง หลงเพลินเป็นบ้ากับหนังมีจํานวนเท่าไหร่โลกทั้งโลกหลงเพลินกันกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นนี่แหละกิเลสมันจุดบางอย่างนี้บางๆก็มนันหลัหนังหุ้มพอร่างกายนี่ไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยแต่สัตโลกติดกันทั้งนั้นภูเขาทั้งลูกไม่ได้ติดกันนะแต่หนังนี่ติดหนังเขาหนังเราติดกันเจอกันเมื่อไรติดทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายนักบวชราราะติดหมด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมอบอาวุธนี้ให้นี่แคืออาวุธที่จะบูกเบิกภูเขาภูไราคือร่างกายสังขารของหญิงของชายของจัดของบุคคลออกให้เป็นเห็นตามความจริงแล้วดูผมเป็นยังไงผมเกิดขึ้นมาจากไหนสถานที่อยู่ของขนของผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงดูเข้าไปฟันก็คือกระดูก มันเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุกคลที่ไหนหนังก็หนังรองเาท้าเราไม่เห็นหลงไม่เห็นติดมันแต่หนังคนก็ไม่ติดติดทั้งหนังเขาหนังเราขี้คลายดูหนังนี่เรียกว่าปัญญาจะบุบเบิกเพื่อถอนสิ่งที่บิดบังนี้อันสร้างความทุกข์ให้แกเราพอเป็นลําดับลําดานี่เรียกว่าปัญญาแปลภาคเป็นเป็ น, ปนภาคปฏิบัติอีกภาคซึ่งสูงขึ้นไป ปฏิเวทก็คือความรู้แจ้งเห็นหญิงตามธาตตามขันตามหนังตามเนื้อตามเบนกระดูกแล้วแยกออกกภามว่าเป็นสัตว์เป็นคลเป็นหญิงเป็นชายได้อย่างเขาจับใจอ๋อนี่หนังเพียงหนังเท่า น, นั้นไม่ใช่สัตว์นั่นชค่บุคคลเรามาตื่นเต้นเป็นบ้าไปเลยพิจารณารู้โทษของเจ้าของที่ปฏิปันกับสินน่งนี้แล้วก็ถอนตัวเข้ามาของตัวเข้ามา พิจนาเข้าไปภายในเลือกเท่าไรยิ่งเห็นตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งเขาทั้งเราเป็นไว้กันหมดนา้นเท่านั้นหุ้มห่อไว้ให้หลงเป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งนองสารเมื่อเปิดหนังออกด้วยปัญญาแล้วกระจ่างแจ้งขึ้นมาหลงเขาหลงเราที่ไหนกันความหลงความยึดถือนั่นแหละมันสร้างกองทุนให้แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อความรู้แจ้งเห็นจริงมากน้อยอย่างไรถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในเขาในเรา ในสัตว์ในบุคคลในหนังในเนื้อในเย็นกระดูกออกไปได้โดยลำดับดั บ, ดบจนอาสร้างจิตท้อนตัวเข้ามาอุปาทานก็ความยึดมั่นถึงมั่นจึงเป็นภาณะอันดับนั้นก็หลุดร้อยออกไปหลุดลอยออกไปจิตสว่ักระจาดแจงขึ้นมานี่เรียกว่าการสร้างมากขึ้ผลขั้นขึ้นมาเท่ากับเขาสร้างบ้านสร้างเรือสูงขึ้นเป็นลำดับใหญ่โตขึ้นเป็นลำดับเทียบกันเป็นานๆวันนี้จะเทียบให้ที่ร้องทั้งหลายฟัง แล้วปัญญาก็แทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปเอาจนกระทั่งรู้แจ้งชัดเจนหายสงสัยแล้วเรื่องร่างกายเหล่านี้ปล่อยวางกันเองไม่มาปินิพิจานาไม่มาผัวพันไม่มาติดมาครอบล่อยปลูกัทานความยืนมั่นถือมั่นยิ่งจึงหนักยิ่งกว่าภูเขาจ้าลูกนี้เหมือนเหมือนกับว่าถอดเสี้ยงถอดหนามเข้ามาเลยเบาหมิ่นหมิ่นหมิ่นหม่จิตหมุนตัวก็สู่ตัวเอง ไม่ไปยืดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราอิกต่อไปก็ไม่นักถอนเข้ามาถอนเข้ามานี่เพียงรูปกายของเราเท่า น, นี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากพิจารณาสิ่งเรื่องนี้พร้อมสิ่งอนลลอจิจจาสะบ้านอกาจตักใจแล้วใจหมดอุปทานความยึดมั่นถืมั่นจิตหมุนตัวขึ้นไปเป็นสำลีไม่มีเครื่องดึงดูดร่างกายที่แหลืเป็นที่เกิดแหรราคะตัณหา ถ้ามีครอบครัวผัวเมียทั้งหญิงทั้งชายก็คือร่างกายนี่เมื่อถอนสิน่ง่นี้ออกไปแล้วความหมายของสิ่งนี้ก็ไม่มีร่างกายก็ไม่จิตใจก็ไม่ถูกกดทวงแล้วหมุนตัวขึ้นเป็นซ้ําทธิ์เบาอยู่อยู่ขึ้นไปเรื่อยจากนั้นก็พิจารณาเข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมละเอียดล่ออันนี้เป็นความไม่จารทุกขออนาาน์นับตาทางนามไม่มีสิใดเป็นเราเป็นของเราได้ เห็นถัดเสนล้ปล่อยเข้าไปโดยลัหนี้ฟังให้ดีนะนี่หลาพิธีถอนจิตออกจากวัฏฏะคือความเ่ิดเกิดตายท่านถอนพิธีนี้ด้วยยิจดีกิสาวนาแล้วถอนเข้าไปถอนเข้าไปจิตติดตามเชื้อแห่งพบเข้าไปโดยลำหนับจนกระทั่งเข้าถึงตัวเชื้อจริงๆนี่สรุปพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังตัวเชื้อจริงๆมันฝังลึกอยู่ที่จิต สางเอาลึกออกมากไม่มีใครมองเห็นได้เลยสามแดนโลกธาตุนี้มันมีใครสามารถที่มองเห็นได้อันนี้แหละที่ครอบงำสันโลกให้เกิดแก่เกิดตายอันนี้แหละที่ทําให้สันโลกลุ่งหลงลงม ง, งายเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่าตกนรกอเวกี ม, มากกี่กับกี่การกี่ครั้งกี่ผลเป็เปรตเป็นผีเป็นสัเดชานมา ก, กี่พวกกี่ชาติไม่รู้เนื้อรู้ฝวกคือธรรมชาตินี้แหละอาให้ไป เชื่อคือฝังอยู่ภายในจิเมื่อร่างกายแตกลงไปแล้วอันธรรมชาตินี้อยู่ในจิตไม่แตกติดตามจิตนี้ไปหนูนจิตให้พาไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ถ้าผู้มีกรรมดีได้สร้างสมบุกล ง, ง, ง, งมามากน้อยก็พาไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งานได้มีความสุขพอปล่อยวางความทุกข์ทั้งหลายได้บ้าง ถ้าผู้ดืมตัวไม่รู้เนืน้อรู้ตัวก็สร้างแต่บาปแต่กรรมแล้วก็จมลงในนรก ท, ทั้งทั้งที่เจเลสส่วหนึ่งมันหลอกว่านรกไม่มีแต่ผู้ไปตกนรกเป็นเราเสเองกิลเลสไม่ไปตกเราเป็นผู้ไปรอกครับรอดจะเป็นผู้ไปรับเคราะหรับกรรมของตนเสเอจงจมอยู่ในนรกครั้งเวลาพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วมันก็ปิดบังไม่เสียว่านรกไม่มีทั้งๆั้งที่ไปตกมาอย่างมอมแมม นั่นแหละกีกับกีกันพอพน้นขึ้นมามันก็ปิดอันทางมาเสียมันไม่รู้ว่าเราเราเคยตกนรกมันก็ทําให้สร้างบาปสร้างกรรมเกิดตายอยู่อย่างนี้ตกนรกบู๋มไห ม, ม เ, เป็นเปรตเป็นสีอย่างนี้นี่หมายถึงผู้สร้างกรรมมันชั่วออกจากจิตตะวิชานี่แหละตัวนี้ตัวฝังลึกตัวนี้ใหญ่โตมากไม่รู้เนื่อรู้ตัวสัตว์โลกทั้งหลายงม ง, ง่ามตัวเปรี้ยว เหมือนสัตตาบอดหูหนวกปิดผนังหมดนี่แหละกิเลสพาเราไปไปด้วยความมืดความบอดเกินมากี่พกก่กปีชาติมองขึ้นหลังไม่เห็นเลยปัจจุบันนี้เราอยู่อย่างนี้เราแน่นอนไหมว่าเราตายแล้วเราจะไปที่ไหน <c oughs> ก็ไม่รู้อีก <c oughs> อยู่เล่ร่อนรอดอยู่หาฝั่งหาฝาไม่ได้หาที่ยุดที่เกาะไม่ได้ตายไปก็ตายเสียหาฝั่งหาฝาหาที่ยึดไม่ได้ ก็ไปเป็นทานองนั้นอีกแล้วใจอีกเกิดอีกใจอีกเกิดีรู้อย่างนี้มากี่จับจีกันทีนี้พอปัญญาของท่าปฏิบัติสร้างบ้านสร้างเรือนที่ให้สําเร็จรูปโดยสมบูรณ์ขึ้นมาก็คือเข้าจุดนี้เองปัญญาญาปัญญาเริ่มตั้งแต่ปัญป ญ, ญาธรรมดารู้แจ้งแทงรู้เป็นลำดับจนก้าเข้าสู่ภาวนามายปัญญา ภาวนาเมย์ปัญญานี้ทางปริยัติท่านแสดงไว้ว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆทีนี้เมื่อเราไม่ปฏิบัติเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนั้นเกิดขึ้นอย่างไรไม่รู้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อเข้าก้าวเข้าถึงปัญญาภาวนาเมย์ปัญญาปัญญาที่หมุนตัวไปเองเพื่อแก้ที่ลำดับธรรดาไม่ต้องบังคักหูไถ่ถยกันเหมือนแต่ก่อนความเพียรนี่เรียกว่า หายหน้าไปมีแต่ความขยันถ้าเราบอกความเพียรกับความเพียรกล้าได้ล้างอาไว้ในการที่จะทําตัวให้หลุดพ้นจากความเบื่อไปข้างหน้าเรื่อยเรืยเห็นโทษในความเกิดเจ็บเจ็ดตายและความทุกข์ที่ติดตามกับความเกิดเจ็บเจ็บตายมากเป็นลำดับลำดับดุลตัวเข้ามาเหมือนกับวันไล่ติดตัวของเราขึมาเราก็เอาสติปัญญานี้เปิดทางเปิดทางออกเรื่อยเรื่อ ย, เ, อ ย, เ, อยเพื่อหลุดพ้นจากความเกเสียจิบตายนี้ จนกระทั่งเข้าถึงจุดนี้เนี่ยปัญญาเป็นภาวนามย์ปัญญาคือภาวนาเป็นเป็นความปัญญารวนรวมไม่ก้องบังคับบังทาเหมือนที่เราศึกษาเราเรียนมาในความจําเพราะฉะนั้นปัญญาความจํากับสติความจําปัญญาความจำํำจึงแก้จึงถอดถอนกิเลสไม่ได้ปัญญาความจริงสติความจริงต่างหาก ออกจากภาคปฏิบัติเป็นเครื่องแก้ที่เหตุสัมปันธะไปโดยลำดับพายได้จิตใจัองสัวรู้แก้ไปโดยลำดับไม่ต้องถามใครเปิดือเผยไปเรื่อยรู้ตรงไหนอ๋ออย่างนี้เหล like yeah. ืออ๋ออย่างนี้เหลือสมาธิเป็นอย่างนี้เหลืออ๋อปัญญาเป็นอย่างนี้เหลืออ๋อเรื่องข้าพี้ดข้าอย่างนี้เหลือรู้ไปโดยลําดับลาดานี่คือภาคปฏิบัติ สร้างบ้านสร้างเรือนเห็นผลเป็นลำดับลำดาต่อนั้นต่อ น, นี่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงจะสุดยอดกะมันก้าวเข้าสู่คิดะวิชาคือเชื้อแห่งโคกแห่งชาติที่ฝังอยู่ในใจของสัตว์ทุกทุกวมไปเลยถอนคลัวดออกมาจากนั้นแล้วโคกชาขากบ้านให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจทังตนเนี่ยท่านว่าอากับาอากบัอกะอะมันิมาชาติ ราชาตินี้เป็นชาติชาติสุดท้ายของเราก็คือเพบตัวพบให้เกิดพบชาตินี้ถอนออกมาแล้วถูกถอนนํามาแล้วนี่นัสีดานี้ปุนาภวบัณนี้เราจะไม่มาเกิดตายอีกแล้วก็พบเชื้อพบชาติไม่ได้ถอนตัวออกไปแล้วอกุปมในมมุติความหลุดพ้นของเราจากแรงความเกิดแ่เจริญตายที่เต็มไปด้วยความทุกข์นี้ไม่มีการกําเนิดแล้วเดี๋ยวพอถอน อ, อ, อวิชชาเชื้อพวกแห่งาติที่บรรพมิพานจาจิตายนี้ออกด้วยกิตตภาวานาเมื่อถอนออกนี้หมดแล้วความบริสุทธิ์เต็มตัวก็สสแสดงึ้นอย่างเต็มที่หูดให้เต็มยศแบาเหมือนฟ้าดินถลกระหว่างกิเลสที่ครองหัวใจมานาน ได้ขาดสบั้นลงไปจากใจใจดีขึ้นเหมือนฟ้าดินตะลงภายในหัวอกของผู้ของผู้เป็นเช่เองนี่แหละคือการถอนภบถอนชาติถอนความกดจกเกิดตายถอนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นช้ว่าสมมุติกองพลทั้งหลายไม่มีเหลืออะไรกิจใจเลย เพราะฉะนั้นท่านผู้บรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์พุโทโธเต็มที่ดุดพ้นเต็มที่แล้ว ท, ท่านจึงไม่มีความทุกข์ภายใใจเลยตั้งแต่ขณะนั้นมาครองจะบรมสุขเต็มหัวใจนี่แหละพระพุทธเจ้าครองบรมสุขพระดินฉลุนในวันเดือนหกเห็นตรัสรูธรรมเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านความวัฏจัรกรป่าช้าของจิตที่มันพักเกิดพาตาย จิตไม่เป็นป่าชาแต่สิ่งที่อาศัยของจิตร่างนั้นรูปนี่อาศัยสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นป่าชาเกิดตายกิดตายเหมือนกันขอได้เดียวแล้วป่าชาของจิตก็ไม่มีป่าชาที่เป็นร่างของจิตไม่มีเลยหลุดพ้นแล้วนี่คือภาคปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทธรรมโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้ า, าเมื่อได้ตรัะรู้ธรรมถึงขั้นนี้แล้ว พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่คูลถามเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันรวมั้องทำทมเป็นทำทั้งดวงอย่างเดียวกันแล้วไปถามกันหาอะไรหมดปัญหานี่การปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติดั่างนั้นทำส่องสอนของพระพุทธเจ้าจะเทือนโลกกรคาเป็นตลาดแหกมรุณนิพพานมาเป็นประจาตลอดทุกวันนี้ แต่เวลานี้ถูกกิเลสบังปิดบังหุ้นห่อไว้หมดขึ้นชื่อว่าอัดว่าทําแล้วมันไม่ไม่ไม่ยอมรับมันไม่ยอมรับมันจะยอมรับตั้งแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาความอยากความเพยยุทธยาดิ้นดมปวดแปบอันนี้จริงจังมากให้หัวใจของทุกคนเกิอ่านเรื่องทำนั้นเมื่อยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์แล้วทะเลท่าไหลปิีนซ้อนหลอกหลวงเจ้าของจะทาําทําดีก็หลอกเจ้าของเสียถ้ากิเลสหลอกแล้วติดตามไปเลยยิ่งไปเลย หาถาดแขนขาดไม่ว่านั้นท้อยวิ่งตามกิเลสก็แล้วกันถ้าสบัดให้สอนทำนี้ไม่อยากไม่ยอมรับที่จะปฏิบัติเลยเนี่ยเวลานี้กิเลสกำลังเข้าครอบงมจิตใจของโลกแต่พ่ออย่างยิ่งชาวพู้ดับห่างเหินจากสีงจากทานจากการภาว น, นาจากการอบรมจิตใจให้มีความสุใสพอร่มเย็นเป็นไปได้ในวัน ไม่ค่อยมีในรรทำแบบทำแบบนี้ไม่ค่อมีภายใจิตใจในขณะเดียวกันม่ได้จะกิเลสหุมหอปิดบังเอาไว้โลกของเราเนี่ยยิงร้อนไปด้วยปืนด้วยไฟาราคขินาก็เป็นไฟกองหนึ่งเผาหัวใจสัตว์โลกโทสักขนาก็เป็นไฟกองหนึ่งเผาหัวใจโลกโมหักขีนาก็เป็นไฟกองหนึ่งเผาหัวใจโลก โลภกิณาความโลภรูเลหหาประมาณไม่ได้ไม่มีวันอีก่อนี่ก็เป็นไปของเผาเม้าใจลกเมื่อโลกของเรามีไฟสองสามกองอยู่นี่เผาอยู่ในหัวใจของแต่ละดวงระดวงทั่วแดนโลกทาต น, นี้ใครจะปฏิญาณตนขึ้นมาบวดตนขึ้นมาช่องไหนมุมไหนว่าเราได้รับความสุขความสบายไม่มี สามแดนโลกธาตุมีแต่ความไพในหัวใจแต่ละดวงดวๆมีแต่ความไพเผาอันนั้นเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมันเจริญด้วยปืนด้วไฟต่างๆโดยหลักกรรมชาตที่ว่าเมืองนั้นเจริญเมืนี้เจริญมันดูเหมือนเผยตามกิเลสหลอกรวงคนให้ดูดูถนนหิมทางดูตึกราบ้านช่องเขาเจริญอย่างนี้เขาเจริญอย่างนี้กิเลสหลอกไปเรื่อยอันนั้นเจริญวันนี้ช่าเจริญเจริญแล้วไปเมืองนั้นเจริญไปเมืองนี้เจริญยิ่ง ชาวไทยของเราแล้วมันยิ่งเป็นบ้าใหญ่นะถ้าว่าไปเมืองนอกมาเมืองไหนมาเมืองนั้นไปเมืองนั้ น, นมเมืองนี้มาเหมือนเจ้าหัวเดินฝ้าหมาทั้งตั้ ง, ท, งที่มันขึ้นจากช่วงจากฐานขึ้นโถ ข, ขึ้นมาในเมืองไทยของเราเนี่ยแล้วมันก็มาอวดตัวว่าช่วงฐานนี่จเจริญรุ่งเรืองเป็นยังไงพวกหนอนมันว่าช่วงฐ า, านจเจริญรุ่งเรืองแล้วพวกเราจะไปอยู่กับมันได้ไหมที่เป็นชาติมนุษย์ที่รู้จักมีจักชั่วอยู่จะไปอยู่กับฐาน กับท่วมฐานของหนอนได้ไ้ม น, นี่แหละผู้มีอัตมีธรรมย่อมเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเหมือนกับท่วมกับฐานความทุกข์ความสมานทั้งหลายที่จะเกลียกบีบบังคับอยู่ในลานี้มันเป็นพื้นเป็นไฟเป็นท่วมฐานผู้มีอัตมีธรรมสองไปตรงนี้แล้วก็หาทางออกได้วันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดมานี้ก็หาหลักหาเกณฑ์มาได้บันนี้เรามีหลักมีเกณฑ์อะไรที่จะพาเราไปต้องสร้างศีลทางธรรมนพระพุทธเจ้ า, บบาก็สอนไว้อย่างนี้ ให้มีการให้ทานมีการรักษามีศีลมีการเจริญไม่ตาบอดให้จิตยึดธรรมมานี้แล้วจิตมีที่ก่อที่ที่เป็นที่ไปจะไปเกิดในภพใดชาติใดถ้าศีลธรรมพาไปแล้วสงหวังสงหวังเป็นระดับลำดาไปถ้าปล่อยให้กิเลสพาไปแล้วพาสมทั้งนั้นทั้งนั้นให้พี่น้องทั้งหลายนำไปคิดในธรรมเหล่านี้ไม่มีใครสแสดงวันนี้เปิดเผยโอ้พี่น้องทั้งหลายทราบทุกคนเพราะได้ทำประโยชน์ให้โลก ทำเหล่านี้ที่เราครองในหัวใจเรามาดีนะเราครองมาแล้วทำอันนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเราไม่สงสัยนิพพานเป็นยังไงเราไม่สงสัยทำแท้เป็นยังไงเราไม่สงสัยเพราะอะไรเพราะบรรตุกที่อยู่ที่หัวใจเราที่ปฏิบัติมาเอาชีวิตเข้าแลกมาปรากฏสมบัติเหล่านี้เต็มหัวใจแล้วอิ่มพอแล้วไปไหนไม่อยากไปแม้ที่สุดไปนิพพานก็ไม่อยากไปเพราะพอแล้ว นิพพานกับหัวใจเป็นอันเดียวกันแล้วได้ครองกันมามาแล้วได้สี่สิบเก้าปีนั่นด้วยอํานาจแห่งปริยะคือการรักษาเราเรียนแล้วปฏิบัติปฏิบัติเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายศีนสมาธิปัญญาบิณตุหลุดพ้นเข้าเป็นสมบัติของตัวโดยสมบูรณ์แล้วจึงไม่ถามหาอะไรอิ่มแล้วถ้าเป็นน้ํา <c oughs> ก็เป็นแก้วแล้ ว, ลวไม่ทราบเอาน้ําที่ไหนมาเทให้ มากยิ่งกว่านั้นไปเพราะเต็มแก้วแล้วนี่เราจะไปหาทำที่ไหนมาเพิ่มใจดวงนี้ซึ่งเป็นธรรมตั้งแท่แล้วให้เป็นธรรมเพิ่มทุ้สิงทุอีกไม่มีเป็นที่พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาที่ทรงสอนไว้แล้วนี่คือตลาดแห่งมาผลไม่ผ่านตลาดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายของผู้บำเพ็ญผู้เชื่อศีลเชื่อธรรมเชื่อศาสนาจะเป็นผู้ได้ทำทั้งหลายเหล่านี้ไปคลองหัวใจใจจะมีหลักยึด ใจจะมีตังมีฝาใจจะเป็นพรได้จสุขะโตคือไปดีไปเป็นสุขขอให้ทุกทุกผลสร้างคุณงามความดีเข้าเป็นหลักใจเกิดจะไม่ต้องไปนิมนต์พาะมากุตลาธรรมมาอย่ากพอได้บุตลธรรมมาคือเราสร้างมานั่นแหละเป็นเครื่องเชิดชูเราเป็นเครื่องทัตรึงเราไปเป็นเครื่องหนุนเราไปให้ไปถุงสถานที่เราสร้างมาแล้วด้วยดี ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ให้เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่ออย่างอื่นนะให้เชื่อความมุ่งมั่นของตัวเองตามหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงสังส่งสอนมาแล้วโดยความถูกต้องไม่ผิดพลาดแต่ประการใดให้ปฏิบัตรรริทำทุกยากลําบากในการปฏิบัติธรรมนั้นคือความคืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกิเลส ม, มันสร้างขวากสร้างน้าําปาักขวากปักหนามไว้ไม่ให้เราก้าวเดินได้ถ้าวันจะไปทําทาน กิเลสเข้าขัดแย้งแล้วเราทําุญให้ทานหนึ่งบาทถ้าเป็นธนบัตรอย่างทุกวันนี้กําแล้วกาําเล่ากําแล้วกาําเล่าสุดท้ายเงินหนึ่งบาทหรือหนึ่งร้อยบาทนั้นที่เป็นกระดาษนั้นเปียกไปหมดด้วยเบมือเพราะกิเลสมันหวงมันยอมให้ทานนี่แหละอนานาจของกิเลสเวลามันมีกําลังมากเราจะทําให้ให้ทานคือการทาบุญให้ทานนั้นเป็นการที่จะเล็ดลอดออกจาก ความคุมขังของมันออกจากอำนาจของมันมันจริงไม่ยอมเราให้ทานงะ่ายๆนี่ในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นเวลากิเลสหนาหน า, น, า น, นี่เอาจริงนะเงินบาทหนึงไม่อยากให้ทานสองบาทไม่อยากให้ทานกิเลสเหนียวแน่นแก่นที่สุดไม่มีอะไรเกิดจะยิ่งจะทําความดีรักษาศีลโอยตายเนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยพอจะทําความดีอะไรกิเลสต้องเข้ากีดเข้าขว า, ขาไม่ใชท่ทําท่านขีดท่านขวาง อย่างที่เราสําคัญตามกิเลสว่าทานทำบุญให้ท า, านเป็นขอ ง, างาอยากไปโนยะไม่ยากยังไงก็เกิดเป็นผู้ขีู่้กันผู้ขวางเอาไว้จะไม่ยากเลยทำท่านไม่ได้ขวางใครเลยนะเป็นความดีตลอดแต่ที่ขวางนั่นคือกิเลสขวางไม่ให้เราทําเมื่อเราพยายามปลูกฝังเข้าไปเรื่อยๆความขวางของกิเลสจะค่อยเบาตัวลงไปเบาตัวลงไปการทําความดีของเราจะค่อยราบรื่นดีงาม ส, สม่ำเสมอไปเรื่อยเรื่อยที่นี่พอเรามีบุญ ม, มีกุศลมากที่เหลืตัวเป็นฆ่าสึกก็ค่อยเบาตัวลงเบาตัวลงที่นี่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอยู่ไม่ไดนะ้นี่เรียกว่าได้หลักใจแล้วสั่งสมบูรุงหลักใจของเราให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับเอาให้ทานวันหนึ่ ง, งไม่ไไมไนหนาัอยู่ไม่ได้ไม่ได้ภาวนาอยู่ไม่ได้อย่างน้อยเลยวิโสบกวาสวขาโตกตาตมู ให้สงบใจที่หนึ่งเกาต่อไปนั้นเอาไม่ได้ภาวนาอยู่ไม่ได้ไม่ได้ทางอยู่ไม่ได้ไม่ได้รักษาศีลอยู่ไม่ได้หากเป็นในลักธรรมะของอิจที่มีธรรมเครื่องหนุนเองนี่ที่เล็กค่อยห่างตัวไปห่างตัวไปการสร้างความดีของเราก็หนักขึ้นไปเรื่อยที่ในความถุกของเราภายในใจนั่นแหละเราไม่ต้องไปหามหาถามหาตามดินฝ้าอากาศฝ้าแดดดินลมที่ไหนไม่มีสถานที่สถิตความถุกมีแต่หัวใจเราดวงเดียว พราะความทุกข์ก็อยู่ที่หัวใจดวงเดียวเมื่อเอาคำเข้าไปชะล้างแล้วความทุกขของเราจะแบบเปิดขึ้นมาจากความดีของเราเองแล้วค่อยสง่างามขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยเราก็มีหลักมีเกณฑ์เกิดมาไม่รู้ที่เกิดที่มาของเราก็ตามแต่ปัจจุบันของเรามีความอบุ่นตายไปแล้วเราจะต้องไปดีแน่ๆเนี่ยแน่นอนแน่นอนยิ่งมีความดีมากเท่าไหร่ต่อไปกล้าหาญต่อความตายเลยทั้งๆที่แต่ก่อนกลัวความตายมากที่สุด พอ ล, ลึกถึงความตายนี่โห้ใจหดหอดจะเป็นจะตายดินน้นรนอยากคิดเรื่องอื่นให้มากรบกันกรบกันไหมเพื่อจะพอบรนเทาคิดเรื่องเพ้อเรื่องเพลินลื่นเลิ ง, เเงไปเสีย <c oughs> เพื่อจบความตายของเรานี่แต่ก่อนอย่างนั้นที่นี่เวลามีคุณงามความดีหนักเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วลึกถึงความตายอยากเราลึกทั้งวันน่นเพราะเราฆ้าหานแล้วตายแล้วอย่างไรเราก็จะต้องไปเป็นถุกโดยสมบูรณ์เพราะ ทำความดีหมุนอยู่ภา ย, ภายในจิตใจประจับอยู่กับใจของเราแล้วจึงกล้าหาญต่อความตายตามเมื่อไรไปความดีมานั้นดังมีทำท ำ, ทำมิกอุ บ, บาสกคนนี้นออกมาเป็นปัญญายเกศพี่น้องทั้งหลายให้ทราบถ้ามิกอุ บ, บาสกนั้นจะสร้างคุณงามความดีมาตลอดจนเป็นที่ภูมิใจเป็นที่แน่ใจในตัวเอง ไปที่ไหนแกต้องเป็นหัวหน้าในการทำบุญให้ศานในงานต่างๆเขาต้องมาเชือ้อเชิญแกเป็นหัวหน้างานทุกแห่งทุกแห่งเพราะเขาเห็นว่าเ ป, เป็นผู้ใจบุญเต็นที่สุดในหมู่บ้านนั้นๆ น, น, นี้เวลาจวนจะตายนี่แหละแกฆ่าาหารอยู่นะเรื่องความตายแกไม่โชคสถาน เวลาจะตายจวนตัวก็มาจเลยกะระบอกลูกไปเอาลูกไปนิมนต์ถ้าท่านมาสวดสั่งมัตยายทําให้พ่อฟังลื่นเริงบัดเซียนเวลาสุดท้ายหน่อยเวลานี้พ่อจวนตัวจะตายแล้วก็อขอให้พ่อได้ฟังทำพราอเป็นเครื่องลื่นเริงใจห่อยลูกก็ไปนิมนต์ข้ามาสวดมนต์ให้ท่านฟังให้ทำนิการ บ, บาโสฟังแล้วในขณะเดียวกันเพราะจวนตัวแล้ว พวกรถทิพย์ทั้งหลายมาจากชั้นต่างๆบนสวรรค์มาด้วยกันหมดเพราะแกทํากุญงารความดีควรแก่สวรรค์ชั้นนั้นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรถทิพย์จึงมาจากสวรรค์ชั้นนั้นๆครบทุกชั้นเลยมารออยู่บนอากาศทางนี้เขาฟังธรรมะเพลินพระท่านก็สวดเพลินางลงาทางโน้นก็เรียกร้องลงมารถทิพย์ทางโนนเรียกร้องขออนุโมทนาขอเชิญ คุณพ่อขอเชิญคุณพ่อมารถคันนี้ขอเชิญคุณพ่อมาขึ้นรถคันนี้รถทิ่อยู่เต็มต้องพระอากาศนั้นมีจะคันเรียกร้องให้อุบาสกคนนั้นขึ้นไปรถของตนทางนี้ก็กำลังฟังคำเชิญอยู่ก็ก็เลยบอกทางพวกเทพเวทเวดาเทพทั้งหลายนั้นว่าให้รอก่อนให้รอก่อน คงจะหลุดปากออกมาในขณะที่ฟังเทศเพลินพระท่านได้ยินมาให้รอก่อนรอก่อนท่านนึกว่าให้รอสวดซะก่อนพราก็เลยลุกจากที่แล้วกลับไปวัดนะพอฟื้นตัวขึ้นมาได้พูดกับติดต่อกับเทวดาเรียบร้อยแล้ยวย้อนจิตกลับมาพระคุณเจ้าหายหมดแล้วอ้าวพระคุณเจ้าไปไหนหมดฟังเทศเพลินๆด้วยครู่เดียวแล้ว ทำไมพระคุณเจ้าไม่หายไ้หมดนะก็คุณพ่อบอกให้ว่าร อ, อก่อนร อ, อก่อนถ้าท่านก็ต้องหยุดเลยสิท่านหยุดทะก็กลับไปว่าโอ้ยพ่อไม่ได้บอกให้พระคุณเจ้ารอนะพ่อบอกให้พวกเทพทั้งหลายที่อยู่บนรถทิพนั้นที่ซึ่งเรียกร้องลงมาให้ไปขึ้นรถของตนของตนต่างหากนะพ่อไม่ได้บอกให้พระท่านรอก่อนให้ท่านหยุดนะพ่อบอกให้พวกเทพทั้งหลายเขา เขารอจะก่อต่างหากหนาไปนิมตนท่านมาเอาไปนิ่มตนท่านมาอีกพอกทางนี้ไปพระพระไปถึงวัดพอดีถูกพระพุทธเจ้าบาราบปราบปราบพ อ, อย่างใหญ่หลวงทีเดียวนี่มาอะไรกันนี่น่ะไปชวนมุนยังไงมากันอย่างนี้วะก็อุมาศกห้าห้า บ, บ, บอกว่าให้ให้หยุดแล้วให้รอก่อนเราขวานก็้ามาพระอุบาสกคนนั้นเขามาเนี่ห้ามพวกเธอทั้งหลายเนะถ้าห้ามพวกเทพทั้งหลายที่อยุดเต็มพระแท้าาอาตมนั้นต่างหากจะเป็นอันตรายต่อการฟังเทศของอุบาสกคนนั้นนะไม่ได้ห้ามผ่านนะปลาเดียวนี่พระพุทธเจ้าไล่กลับไปพอดีพวกลูกของอุบาสกคนนั้นเข้ามาแล้วก็ตามกันกลับไปสวนทางกันก็รับกันกลับขึ้นไป นี่เลยสวดมนต์ไว้พระพอเสร็จจากนั้นแล้วก็ลาลูกลาหลานพ่อจะไปนับจุดหมายต่างๆของพ่อมีสมบูรณ์เต็มที่แล้วพ่อไปได้วยความสมหวังว่าระงับดับอีกไปในเวลานั้นนี่อํานาจแห่งการสร้างความดีทําคนให้เป็นที่แน่ใจได้ถึงขนาดนั้นนี่แหละความดีส่วนกิเลสตัณหาที่เราเพลิดเพลินเป็นบ้ากับมันเวลานี้มันไม่ได้สร้างความแน่ใจให้เรานะ นี้จะสร้างความสงสัยสงสัยสนเทศสร้างความหาหลักหาเกณฑ์มา ไ, ได้ให้เต็มหัวใจเราเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกดินแดนจึงอยากเข้าใจว่าใครมีหลักมีเกณฑ์นนะไม่มีถ้ามันมีทำภายในใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นถ้ามีทำภายในใ จ, จแล้วอย่างอุบาสกนี่พ่อจะไปลันนาได้เวลาแล้วแล้วดีทีเดียวไปเลยด้วยอาํานาจแห่งบุญทางกุศลไม่ต้องนิมนต์ข้ามากุศลาก็ได้พร้อมแล้วไปได้เล ย, เลยนี่แหละ อำนาจแห่งบุญอำนาจแห่งกุศลเป็นผู้เคียงกับใจเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของใจใจแน่นอนถ้ามีบุญมีกุศลแล้วไปเกิดอย่างแน่นอนแม้เกิดแล้ว เ, เกิดมาไม่รู้ที่ที่มาของเราว่าเกิดมาจากภพใดชาติใดจึงมาเกิดที่นี่นี่ก็ตามเรามีบุญมีกุศลเต็มหัวใจแล้ว อะไรยังมีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีขาดังทำไม่เก่าบาปที่พูดมาเป็นตัวอย่างแบ่อกี้นี้อันขอให้พากันสร้างหลักใจให้ดีนะยาปล่อยอย่าวางจิตดวงนี้แหละที่ว่าเมื่อกีนี่ะมันมีอวิชาเชื้อแห่งภพแห่งชาติให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่มีวันอิ่มพอเกิดตายอยู่นี้ตั้งกับตังการถ้าถอนเชื่ อ, ออันนี้ออกไม่ได้จากหัวใจแล้วจะต้องเป็นนักเกิดนักตายนี้ตลอดไป เคยเป็นมามากน้อยเพียงไรจะเป็นไปอย่างนั้นไม่มีพอบเขตไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเพราะฉนนั้จึงต้องสร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีนอกจากจะพาเราให้ไปสุคติสวรรค์แล้วยังตัดยน่นวัฏจัคือความเกิดแก่เกิดตายของเราให้หดให้ย่นเข้ามา เกิดกี่ชาติจะเกิดต่อไปอีกกี่มื่นกี่แสนชาตินี่จะตัดย่นเข้ามายนเข้ามาเรื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่เข้ามาเพราะอํานาจแห่งบุญนี้เป็นเครื่องตัดถอโภพชาตินั้นเข้ามาจนกระทั่งเวลาสุดท้ายภบชาตินี้ขาดชาวบ้านของสศรษฐเพราะใจมีความดีอันสมบูรณ์เต็มที่แล้วสามารถสังหารพพชาติภายในจิตใจได้ไปอย่างหายห่วงดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นท่านไปท่านไปอย่างหายห่วง ท่านหายห่วงแล้วตั้งแต่ขนาดที่ท่านตรัสรู้ทำขึ้นมาในใจท่านหมดห่วงตั้งแต่บัดนั้นแล้วประจักษ์ในใจของท่านตั้งแต่บัดนั้นแล้วนี่แหละสรณะของพวกเราคือท่านผู้บริสุทธิ์พุทธโธประกาศตนออกมาด้วยความอาถรรพ์ชันไยและประจักษ์ใจทุกทุกพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพาาระอรหันต์ท่านท่าน ไ, ได้ครองทำเหล่านี้แล้วจึงมาสอนพวกเราทั้งหลายวันนี้ได้พูดเรื่องธรรมทั้งหลายให้ ท่านนับปฏิบัติคือนักบวชเราก็มีเยอะที่มาวันนี้วิถีทางเดินของจิตที่พาให้เกิดแก่จิตตายนี้ให้ตัดย่นขมาด้วยกิจการนาเป็นข้าปฏิบัติที่มาจากเราศึกษาเราเห็นแล้วให้เกิดข้ามปิบาติเ้วจะเป็นผลขึ้นมาแล้วการเป็นโสดาปุระโสดาเป็นผลสักจิตาพาหิมา ถ้ากิพา the like. นมีผลอาณาทานมักนาทานผลจกท่าถึงอัตตมรรคอาตผลเพราต่นาการปฏิบัตินี้ึ่อเป็นประตาพตามสุขแล้วพอจากขาพพพ์ปฏิบวรื่อยๆเนี่ยขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติวันมีหลวงตาได้มาเผยเผยความจิที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อมรรคผลิพานแก่บรรดาจักรทั้งหลาย ก็จะนํามาเปิดเผยวันนี้เพราะตนได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นจริงๆแล้วและได้รู้ได้เห็นเอาเปรียบทุกอยามาประจักษ์หัวใจเต็มหัวใจไม่มีอะไรสงสัยแล้วจึงนนํำทำของจริงนั้นมาประกาศนี่น้องต่างๆได้ทราบว่าตละแห่งมรรคผลนิพพานคืออะไรคือหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละ เ, เป็นตละดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ๆนั้นถ้าใครไม่ปฏิบัติใครไม่สนใจก็ นี่ั้งแตตลาดแห่งที่เล็กปืนใหญ่แห่งที่เล็กเต็มหัวใจเราเท่านั้นนั้นขอให้ภาควิยาพระควิทยาพยายามแก้ไขดัดแปลงตนเองเหี่เป็นความบกพร่องอยู่ไหนให้แก้ไขนี้แหละทำเป็นธรรมของจริงเรานํา้ำมักกาศวันนี้นํามาประกาดยามอาหารชานชัยด้วยความเมตตาแก่พี่น้องทั้งหลายเรามันํามาประกาศด้วยความโอ้อวดอย่างนั้นไม่มีความโอ้อวดเป็นเรื่องของที่ทําแล้วไม่โอ้อวด พูดตามหลักความจริงตามที่บุญเจ้าทรงตรัชลุมาแล้วทรงแนะนำสั่งสอนสันโลกใครรู้มรรครู้ผลตามทางพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วทําไมจะพูดไม่ได้ทําเป็นเครื่องสอนโลกรู้แล้วเห็นแล้วพูดให้โลกฟังไม่ได้ถูกเกลียดหัวเลาะเยอะๆไม่มีใครยอมรับความจริงก็แสดงว่าศาสนานี้จะสิ้นจุดยุติหมดแล้วในหัวใจของชาวผู้เก่า เพราะไม่ยอมรับความจริงคือมรรคุณิพานของผู้ปฏิบัติที่ได้รับมาแล้วยอมรับตั้งแต่ความโลภความโกรธความของราคะตัหนหาเต็มหัวใจตายไม่อิ่มพอทุกข์ไม่อิ่มพ อ, ไ ม, อ, มพอไม่เข็ดหลับมีอย่างเดียวเท่านั้นที่เราทั้งหลายจะรับนอกจากธรรมที่ความจริงนี้ต้องเป็นอย่างนั้นโดยแน่นอน <c oughs> วันนี้พูดทำมาให้ที่น้องทั้งหลายได้ทราบประยังถึงใจ และน้าปฏิบัติเราคือพระุมุทรรันพระนั่นแหละเป็นจะเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลิภานที่หัวใจพใเพราะใกล้เคียงที่สุดดับมรรคผลิภาน<ม>เนื่องจากกิจการงานอะไรๆไม่มีสำหรับพระเราภาละทุกอย่างการเลี้ยงดูปลูกที่อยู่เตี้ยสายประชาชนยานโจนเขาปลูกเขาสร้างให้เรียร้อยห า, าให้ฉันทุกวันไม่อดไม่หยงานของเราึงไม่มีในสิ พอควรทั้งหลายเหล่านี้มีแต่ที่จะบําเพ็ญคุณาความดีจิตตั อ, อนาทั้งเราให้เต็มเป็นจนว น, นเพื่อตักตัวเอาผลนิพพานเข้าสู่ใจของเราแล้วประกาศผลอลั่มเลิศให้ประชาชนทั้งหลายลา้ทราบเพื่อเขาจะได้มีเกิดใ จ, จพุทธปฏิบัติตามนี้ถือทอดมานผลนิพพานไปไม่สิ้นสุดในพุทธศาสนาของเราจะได้เห็นความจเจริญรุ่งเรืองของชาวพุทธเราว่าเอาจริงเอาจังนี่วันนี้ได้พูดถึงทำทั้งหลายเหล่านี้ หายสงสัยหรื อ, อยังพี่น้องตัางหลายว่ามรรคผลนิพพานกำลังมีอยู่หรือสูญไปหมดแล้วมีตะเกี้นั้นหรือเพราะความเผาหัวใจโลกมรรคผลนิพพานที่เป็นน้ําดับไฟไม่มีบ้างเหลอถ้าเราสอบแสวงหามีอยู่เช่นเดียวกับกิเลกกิเลสเป็นอาการิีโกหาการเวลาไม่ได้ทําให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดทั้งนั้นทำก็อาการิโก ไม่มีการเวลาเราสร้างเป็นธรรมสร้างธรรมเมเื่อทำเกิดที่หัวใจกาเสัมพันธ์พระอาจาจึงให้เพิอถอนกิเลสออกไปเดิลำดับสร้างธรรขึ้นมาปาราศจิตใจแล้วใจของเราจะเป็นตลาดแห่งมรรคนิพพานขึ้นมาโดยไม่ต้องถามผู้อื่นเลยอ้าววันนี้พูดธรรมะเพียงทัวนี้บังว่าจะเป็นที่เลือกแก่พี่น้องทั้งหลายหลวงตาได้ประกาศตนออกมา ปีนี้เป็นปีที่เปิดอกให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันในสมบัติของตนที่ครองมาเป็นเวลานา น, านได้ครองสมบัติวิมุติธรรมความหลุดพ้นไม่สมงสัยพระพุทธเจ้าแล้วมาตั้งแต่ปี2493นี่ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ2493เป็นปีเขาศพหลวงปู่ม่านครับปีนั้นเป็นปีที่เราเขาศพที่ ให้บรรลัยจับหัวใจตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วแล้วครองบุรุษ ต, ตั้งแต่บัด น, นั้นคำว่าทุกที่จะเขียดเข้าไปในจิตใจเราไม่เคยมีเลยเพราะกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์หมดแล้วในหัวใจทุกข์เองไม่มีภายในหัวใจมีแต่บรุรมษสุกล้นล้วนเต็มหัวใจครองทำประเภทนี้มาได้สี่สิบเก้าปีนี้แล้วแล้วก็ทำประโยชน์ให้โลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาไม่มีอันใดที่เป็นของตัวสมบัติมากน้อย ทุ่มเทลงไปเพื่อช่วยช่วยโลกช่วยสงสารนับแต่คนทุกคนตัวนีนๆๆๆส้สราะห์ไปทั่วไปหมดทุกข้าของหลักสร้างโรงนาำโรงเรียนที่ราชการต่างๆจากนั้นก็กล้าเข้าสู่โรงพยาบาลมีเท่าไหร่ทุ่มลงไปหมดทุกมลงไมไม่เคยเก็บอะไรจนสามารถพูดได้ว่าเราเป็นนักเสียสละ ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราเลยเงินทองเข้าของไม่เคยมีพระคว า, ามเมตต า, ากวัดออกไปหมดเพื่อส่งพระโลกคาบตะนีถี่เหนียวมายุ่งเราไม่ได้มีจตการก็ให้ทานมิจตการของพระโลกนั่นเดียวเราทํามาเป็นขนานั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเอาตัวขขาเราออกเป็นผู้นําของพี่น้องทัหลายด้วยความเชื่อตัวเองล้านเปอร์เซ็น โดยเหตนนี้เองสมบัติเงินทองก็ของที่พี่น้องทั้งหลายนํามาบริจาคเพื่อชาติไทยของเราโดยผ่านหลงวงตาบัวนี้ยึงเป็นที่แน่ใจว่าสมบัติเหล่านี้จะเข้าครังหลวงทุกบาททุกสตางค์ไม่ล่วไหลแจกตื่นไปที่ไหนเพราะหลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินนี้ทั้งหมดซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเกี่ยวข้อ ง, ของกับการเงินการทองเพราที่จะมารับผิดชอบอย่างนี้ได้มาเท่าไหร่มากน้อยสั่งให้ ออกแก้ทาร์ตให้ช่วยถึง <aún> ฆ <yelled> ์คาสงให้สงฆ์คารงหาโรคต่างๆอยู่ทัวไปตลอดไม่เคยมาเกี่ยวข้องกับเงินกับทองแต่มาขั้งนี้ได้เป็นผู้ถือบัญชีเงินชะแลชล่างขั้นที่น้องหลังเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองมาแต่มามาขั้นนี้เงินทุกบาททุกตังหลวงกับบัวเป็นผู้ถือบัญชีแต่เดียว เพื่อการความแยบยวหลายแต่ถึงเราจะเป็นผู้รับผิดชอบสมบัติขสมุน้องทั้งหลายแต่ผู้เดียวเส็มความสามารถของเราเราจึงเป็นผู้ถือมังเหีนเราจึงเป็นผู้คุมอํานาจในการเงินทั้งหลายบัญชีเงินทุกบาททุกตังเป็นบัญชีของหลวงตวาบัวแต่ผู้เดียวไม่ให้ใคามาถือบัญชีแทนเราเลยเราเป็นผู้ถีบัญชีแต่ผู้เดียวเป็นผู้สังเก็ตสังการแต่ผู้เดียวและการสังเกบสังการนี้ ดังใจนี้จะกระทำใดบ้างนี่เราก็เปิดเผยให้พี่น้องชาวแถลงหลายทราบเป็นระยะระยะไปโดยไม่มีปิดบงังลี้ลับใดๆสมกับเราทําด้วยความเมตตาเลื่อมเลขอพี่น้องทั้งหลายจงุดไว้ใจใจใจในการที่เราพาพี่น้องทั้งหลายดำเนิน เ, เพื่อชาติ บ, บ้านเมืองของเราล่านี้ว่าจะเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ผลผลโดยแน่นอนเพราะกําลังบังชาความสามารถ และความเชื่อถือของพี่น้องทั้งหลายรวมตัวกันแล้วจะเป็นพลังยิ่งใหญ่หูุนชาติของเราให้ดูพ้นจากความทุกข์ความโวกนี้ไปได้โดยดับโดยกาสร้างถึงขั้นสมูลคูงผลเต่มที่นี่ละเพรา ะ, ะท่านจึงว่าผู้นำเป็นของสำคัญ ม, มากนะเราคิดก่อนแล้วหาผู้นำมันหาไม่ได้ทั่วประเทศไทยไม่ได้ดูทุกเยี่อใยมท่านผู้ใดแต่มันปรงใจลงมาได้แล้วก็บอกตรงใจลงมาได้ เวลาจะโรจาาปร่รงใจลงได้ก็คือมามาหาล้ตับัวเสเอเอาตัวอะกษฎลงใจลงได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราบริสุทธิ์เต็มที่แล้วถ้าพูดถึงใจของเราเราก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วหายไ่เลอมาแทรกไม่อีแล้วเลหลังจะประกาศเป็นว่า เรานี่คือก็ทหารอนค์หนึ่งก็จะบิดไปไหนท่านจะพูดพระพุทธเจ้าจะพูดได้ท่านพุทธกาลจะพูดได้ทำอันเดียวกันผู้รู้ผู้เห็นทำทำแบบเดียวกันทำไมเราจะพูดไม่ได้กิเลสตัวไหนจะมาเย็บป่าลงอกตะัวให้มันมาเย็บอย่าฟาดทำงายลงทะเลนี่นอาปฏิบัติเราแทบเป็นแทบตายเราก็รับรู้ของเราผลได้ได้มากน้อยเพียงไรเราก็รู้ของเราความดิบดุสุดวิมุตถูดพ้นเราไปเห็นในหัวใจของเราแล้วจะนำออกมาพูดไม่ได้หรือ จะให้กับกิเลสมันเย็บปากไปหมดไม่เชื่อถือกันหาว่าพว้อวเหลืออ้าฟังให้ดีที่นักทั้งหลายวันนี้เปฏิบัติโปรตขท่านพี่น้องทั้งหลายโดยทราบวันนี้เนี่ผลของการปฏิบัติศาสนาตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาของเราโดยสมบูรณ์ไม่มีสงสัยเป็นแต่ม่ามีใครปฏิบัติเท่านั้นเทียบแล้วเหมือนกันคำว่าน้ํานี่มีอยู่เต็มสระใหญ่นะ ล้งใสสาดทุกสิ่งทอย่างรถอร่ออร่อยชื่อสนิทดีแต่ถูกจอกแหน้มนปกคุมเอาไว้ไม่ให้มองเห็นน้ํามองไปเห็นแต่จอกแหน้มปกคุมหุ้มหอ่อน้ําไม่หมดน้ําอยู่ใต้มองไม่เห็นเลยนี่คือจอกแห น, นไไ้ได้เกิดกิเลสตัาหามันปกคุมหุมห้มห่อนักผลนิพานซึ่งเป็นสารน้ํามันใหญ่เอาไว้ไม่ให้พวกเราสังสาเห็นมีหน้ำซ้ำยังมันยังหลอกเราด้วยว่า สมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีหัดอินมัตมันก็หกเป็นชั้นๆนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติดีปอดีไม่ชอบขนาดไหนมันก็ไม่มีทางได้ถึงมรรคผลนิพพานตัวโคตรโคตรโคตรไม่ไม่เคยปฏิบัติมันจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหนเราอยากพูดไว้อย่างนั้นหรือเราพูดไปแล้วก็ไม่ทราบนะนี่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ทำสอนเพื่อมรรคผลนิพพานก็เป็นจักราอเอกมีตนมีตัวอยู่ สอนมรรคผนิพพานเป็นมรคผลนิพพานทําไมเราปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจะรู้มรรคผลนิพพานไม่ได้ปฏิบัติตามกิเลสถ้าได้กิเลสมาเผาหัวใจได้ทุกคนทุกคนเห็นไหมกิเลสเป็นอากาลิโกไม่มีทุกทุกเวลาคิดให้เป็นกิเลสมืออะไรแปลงกิเลสมื่อนั้นนี่คิดให้เป็นธรรมเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมเมื่อนั้นทําไมทำจริงๆมดเหตุสมัยไปถ้าไม่ถูกหลอกกิเลสของกิเลสก็จนตัวแหละตัวเหลวเปื่อยทงหมดนั่นวันนี้ได้เปิดเต็มที่ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ ใครจะฟังก็ฟังฮแล้วหลวงตาบัวอาจจะ ไ, ไ, ไม่ได้กลับมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลาทราบอีกก็ได้วันนี้เป็นโอกาสมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายเท่าเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดพิมายทำมาประเภทอย่างนี้ไม่ก็ไม่ค่อ ย, อยพูดทั้ไหลให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนวันนี้นะวันนี้รู้สึกพูดให้เต็มเม็กเต็มหน่วยจนถึงขั้นอรารมณ์เลยเน ะ, ะแต่ หันนี่มันมีหันได้สองอย่างนะฮะถ้าหันกินกิเลสแล้วเป็นพระหันถ้าหันทั้งนั้นที่มีกิเลสนี่ก็หันไปกินนั่นหันไปกินนี่นี่แหละหันไปบินสบายหันมากินแล้วหันไปนอนมันมีหลายหันนะเข้าใจไหยอือให้พี่น้องหลายเลือกเอาว่านี่มันหันอะไรนี่หลวงตาบัวก็ประกาศให้ทราบแล้วหลวงตาบัวมันหันได้ทั้งนั้นหันกินก็ได้วันรงนี้พี่น้องต่ายเอาจังหันมาให้ตาบัวจะหันไปกินหันไปจังหันอือ เข้าใจไหมล่ะมันหันหลายหันนี่ล่ะอืเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันมีแต่หันไปกินนั่นหันไปกินนี่นสิเอมันไม่ได้หั น, นหามะขุนิพานมันยังไม่เจอมะขุนิพานแล้วประดูถูกเหยีาดยามศาสนาห ย, ยาดย่ำทำลายศาสนาว่ามะขุนิพานมัน ม, มีเอาเปิดจอ่อเปอิดแหนออกดังที่ว่าสาใหญ่นะั้นเปิดจอ่อเปอิดแหนออกคือได้แจะถอดถอนอิทธออกเป็นลําดับลําดับซึ่งเท่ากับเปิดจอ่อเปอิดแหนออกให้เห็นนา เริ่มเห็นน้ำเล็กน้อยแล้วตัดมาดื่มมาชิมดูเป็นยังไงสราบขั้เจนแล้วก็มีเกลือใจอ้อน้ำในสระนี้อย่างมีสมบูรณ์เป็นจะเพียงไว้จอกแหนบกบกุ้งหัวไว้ที่นี้มีเกลใจที่จะเปิดจอกเปิดแนเบเลิกเจอกเลิกแนบออกให้หมดให้ถึงน้ำเต็มเปี่ยมในสระนั้นนี่ก็เหมือนกันเปิดเจอกเปิดแนบออกหมดแล้วน้ำคือเอื้อหัดตะบุคคล น้ำคือมกากรดทีิผ่านไม่ต้องถามจะปรากฏขึ้นถึงหัวใจซึ่งถูกกิเลสปกปุงไว้นั้นแหละพอเปิดกิเลสออกซึ่งเป็นเหมือนแหนบจอกเหมือนแหนเปิดหัวใจแล้วน้ำคืออมตะธรรมน้ำคือความบริสุทธิน้ำคือรคอรหัสตะบคุคลจะปรากฏขึ้นดีใจโดยไม่ต้องสงสัยวันนี้ย้ำให้เต็มที่เลยวันต่อไปก็จะไม่ค่อยมีเวลาพูด 阿拉ท่านนี้เพียงอยู่ตรงนี้งั้นหลังจากนี้ไปแล้วเอาท่านพีน่น้องทั้งหลายที่จะช่วยธรรมุรย์าเพื่อช่วยชาติของเราเอาเอาให้เต็มที่นะเวลานี้เป็นเวลาตักตวงเพื่อมาหากุศลแก่ชาติไทยของเราแก่ตัวของเราอย่าให้เสียเวลาเวลาที่มาประกอบตายเกิดประกอบมันเกิดปันตายมาอกี่กับกี่กันแล้วไม่ได้รับประโยชน์สร้างกุศลนี้เป็นประโยชน์ทุกระยะระยะได้โอกาสแล้วที่เราทั้งหลายจะพยายามตักตวงช่วยกันทั้งช่วยชาติของเรา ทั้งช่วยจูขอวเราเป็นมหาวุดิชนยิ่งใหญ่เอาละเปิดโอกาสให้าละ้วยติังตานี้ไม่ต้องเอว่าเพราะไม่ได้ตั้งน้โมเลยวะเอาละเอาเปิดโอกาสหน้าที่ใครมีสองคำาดเล่ามาหรือในข้อไม้ข้อมืออยู่ในคอมันเอามาหมดอย่าเอาไว้มาสร้างมหาวุฒล ปีนี้เป็นตีเป็นผู้นำผมมีน้องทั้งหลายเต็มตัวแล้วนะเป็นผู้นำเราจะได้กล่าวว่าภาพเป็นผู้นำนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับภาพเขาไม่รับถือเไม่เชื่อฟังที่อย่างเดียอตาเล็กก็ไม่ไดูตกจักมือหนาตาเลทั้งนั้นเข้ามาด้วยถึหนถึงกันเลยเนี่ยต้องัญมากนะครั ไหนต้องกอดดิั่นเนียวเงินได้อะไรแท่ตาได้เงี้ยแต่หลัเนี้ได้อะไรเป่าไม่ได้อัดนะเนี่ยไม่ได้หัดนะเดี๋ยวทำอะไรเด็กคนนี้เค่กันแค่กันนี้ว่าไงนี่ไม่ได้อัดนะีฮะมีฮะตาไัดไป ผมอัดไว้จะให้ให้คุณทั้งก้อไปใสแท้ครับวันนี้เป็นกันต้องการอยาครับมีสมาชิกทั้งหมดจำนวนเต็ที่นะครับ ังถึงใจแล่แหละก็่ก็่อย่างถึงใจที่ว่าังถึงใจเลยวันนี้เค่อย่างถงเลยถึงใจยังไงวะวันนี้เป็ัทีเด็นหยเลงับกันบ้างมันขันขันานกานาทีครับผมเดี๋ยวนี้ครับโอนานงเกือชั่วโมงอีกนึ่งแวชครับ เรานุนจะประมาณ 2,000 บาทบ้างใครก็ปลานะครับระยแบบที่เกิดเกิดข่าวออกข่าววิทยุให้ขับขับคนไทยองเราก็รู้จุดตัวบ้างนะครับว่าเรื้องสัจธรรมาญาเป็ยังไงเรื่องศาสนาได้ถึงกันบ้างมีวนมีตัวไหมบางไหมอยมมามาเอาให้เต็มเดียวทุกคนเต็มเดยทุกคนก็ให้เสียใจเรื่อยไดับนาเวลาไม่กินเวาที่เรา ต้อยาเมาคเป็หนูครับว่าคนไทยด้วยกันหาได้ด้วยกันนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นคนไทยร้อเปอนตวัดตังบดได้ทั้งแม่ทั้งลูกคนไทยเป็นลูกแฝดลูกแฝดสองคนต้องแบ่ให้ลูกแกดด้วยนะสองคนหูกต้องมาเมียกะให้ลูกแกดด้วยนะทางมีลูกแฝ่สามคนก็ให้แบ่งให้ลูกแฝดสามคนมามีส่วนด้วยนะ นี่กัแม่ผมเดียวลูกแฝดอย่นั้นมันสาคนนี้ไม่ได้เลือกเลยลูกแฝดขาดชุนแม่ย่าทำไรเป็นังไม่ได้นะก็ให้ทำไรกันทั้งแม่ทั้งลูกนะใครมีลูกแฝดสมคนีคนมาเดี๋ยวนี้มาบริจาคให้ได้ เ, เลืกอกันเพอพสเเป็นโฆ <c oughs> ต้องอยู่นะั <c oughs> น้นคนาต้องเขาต้พงาต้องเของเางข้อง จะขึ้นไปอย่างวดเร็แน่ใจงานที่ชอบทำเราได้มานมากแล้วก็คืองานที่ัใจลองทำมาสักวินาที6กิโลกว่าเนี่ยคำว่าจังหวัดตรีนเราได้6กิโลกว่านั่ก็เก่งมากนะสูงกว่าที่ไหนที่ผ่านมาจังหวัดตรีนเราพี่น้องจังหวัดตรีนเราเรากำลังใหญ่โเดียวน่ได้ถึง6กิโลแล้วนะ่อคํามาเนี่ย น้องวัดเรียนน้เป็เ ที่หนึ่งที่สองท่สามก็ตามจะไปวกันที่ทาหัวงวันทางหัวงนี้ใหญ่โตแล้ววยเราทนี้ยจะวัดกันตรงนั้นนะไม่เอาไปเอาชนะที่ไหนจะไปเอาทุนเลยที่ทางหลวงเลยเอาเดิมเบอร์หนึ่งที่ทาหลวงเลยให้ได้เบิรหนึ่งทุกคนด่างรวดแล้วก็จากตามาจากใจได้เร็วนี้นะทำมาออกทั้หมดไปรู้ตัวเลยวันนี้ออกออกใส่หมดมันมี้ะไรเยอะเยอตัว ถางเหลืเปนรองเปเหลือจะราก็ดูเหืือหนักทุกสิงทุกอย่างส่วนของที่น้องจดเอาไปกินหมดวันนี้นะโยนเหลือจะเหลือจะร่ากลับไปรอดเราอารมณ์ลมมาบ่มากแล้วทำเสียตลาการงมืให้ทานไม่เคยทำอะไรให้ลมลมมาแต่ไหนแต่ไรเอาเชือกตรงนี้นะเชือกตรงมือจับเชือกตรงมื เราจะเป็นคนมากมายที่ควน่าสงสารของเราหนุนเราและมีน้องต่างเห็นลงกับพวนแค่ทีนนะเห็นเห็นมีน้องต่างเห็นลุงกับบวนแคทีนแล้วกลับมาเห็นนี้ต่างกันอย่งไรบ้างมมีใจอเองมาดูเองทุกคนมาดูหน้างกระวนหน้าเดียนีแหละวแล้วแต่เนดามกันี้กปัางรูสมร ผมเ็น้องชายกันได้กลัาู่บ้านอยู่เอีผต่อหน้าต่อตารูกแฝดสามคนเลยทั้งสามคนถ้าใครไม่ไม่รู้ลูกแฝมีสามคนแม่ให้คนเดียวนี่ลูกแฝดมาได้นี่จะเอาหมาถึงต้นเสาไว้ไม่ให้กลับบ้านไม่วหรจนกระทั่งใกลกันกับลูกแฝดสามคนแล้วเราถึงจะปล่อยกลับบ้านไม่ใช่ลูกแฝดไม่ใช่แม่แฝบนิ่งหนีหรือเนี่ย เราไปดูที่ประตูที่หนัเป็นประตูแม่แม่ลูกแฝดอาไว้จะดูแลตานั้นหลวงตาวยังไม็ได้เอาเงินจากลูกแฝดแล้วก่อนลวงตาวยังไม่กลับบ้านนะไปปิดประตูไว้ก่อนอย่นี้ังไม่ออกใเป็นแม่แฝดแม่ลูกแฝดป็นประตูไว้ S 1> <S 1> <S สนุกดีวันนี้สนุกดีวันนี้เป็นวันสนุก้องพี่น้องชาวสุรินทร์เราโดยมีหลวงตาว่าเป็นเป็นนักเป็น โ, โ, โ, ฆโฆพคศกโคศกมันต้องมีตลกบ้งทีเพียเป็นโคศกต้องมีตลกเป็นทั้งคุณน้ำเป็นทั้งนั้นทศเป็นทั้งโคศกอยู่ในตัวคนเดี ย, ยวที่หมด เดืนหน้าเสร็จแล้วใทีวดใก่อนก็เลือกานไเร็จเรียบร้อยแล้วใจปวดแต่ที่มึงพมาาคนเน้องชาวุนเราเป็นด่ามากการประทับใจรวมถึงวัวมาเห็นน้องชาว้ทั้งหายก็ระทับเหน้องชาวุนเราคำมีรู้จิประทับใจมากเรารู้สึกดุจาก5ูนใจยิ่งเห็นช้างขบวนช้างตอนแรกมภูมิใจมากเห็นช้าง102ตัวแล้วเอาช่วยกินเลยจนกั่งมันดีไม่เดียวกลง ตัวจับมือเราเลยทีเด <the> ีววันนี้ช้างสองตัวเล่นอยู่นั่นน่ารักมากน่ารักมากพอมองเห็นเราเราเกล้วยยื่นปั๊บว่ามักเลยนะว่ามักใส่ปากกุกบยื่นมาอีนเราให้อีกยื่นให้อีกเอาีกยื่นไปยีนมาชื่นหลายครั้งหลายหนหน้าให้ไปเลยไม่ยืนมาน่าให้เฉยแสดงกปอีกแล้วเขาอิ่มแล้วช้าง้างสอตัวมันนั่อิ่มกันที่แล้ว ลาตินให้บนะให้พอให้บเสวจะเี้ยงมากยะหาวาวะปราิสุรติสากรังเอวเมวอิตุจินางเปตานังอุปกปติิจิตปติจตุมหังคิมเหววะตมิตุสเปปุเรตุสังคปะ จากโภพนาระโสยถามนิโชเติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตปัตมันตรายโยตุขีติฆายุโคเพราะอภิวาทนาสีลิสนิจจามุทาปจานยโนตตาโรธรรมาวาทเต อายุวันโนสุขังภะลงังภาวะตุสัพมังขงังราขันตุสัพเทวะตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัสมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตอาลาภนี่หลงตาจะไปแล้วหลงตาหน่อยแล้วเหนื่อยมากแล้ว พูดมาอยูตั้งแต่ขึ้นขมากตรงนี่พักเลิกได้ไเลิกได้่านเ่เลอกได้ปัจจุบันก็ได้มกข์ผลหน้าอาเนเรา่จัจิบันาเนร์กข์ศาสนาพุทธเจ้าพือสาระอย่างมโหาโดยสมบูรณ์ไม่มีบกร่อหเ